ร่างกายมันบกพร่องอะไรอยู่เนี่ยตนก็ไม่รู้นั่นเอควรจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบกพร่องไปมั่งมากแล้วแบบนี้มันก็วิบัติขึ้นมาอันนี้ก่อนวิบัติขึ้นมาแล้วกลัวจะแก้ไขได้ก็ต้องกินเวลานานท่านั้นนักภาวนาเนี่ยมันต้องสำรวจเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ทุกส่วนเลย ม, ม, มันมันมันวิบัตริตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนถ้าเราเพ่งดูอยู่แล้วมันเห็นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นกายกับใจมันเนื่องกันกับ เ, เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งจิตใจ พร้อมๆกันไปเพราะมันเนื่องกันแต่มันมีใจเป็นประธา น, นการรักษาใจได้ก็ชื่อว่ารักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันเมื่อใจฉลาดแล้วมันก็รู้จักรักษาตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใจไม่ฉลาดนี่มันมีความเห็น เอียงไปเอียงมาอยู่ยนี่มันมันก็บกพร่องทางกายบริหาร อ, อันพวกพูดอยู่นี่นะก็ได้ถูกมาแล้วจึงได้นำมาตักเตือนซึ่งกันและกันไว้ในที่นี้อันพิจารณาเห็นร่างกายสังขานแะล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนสักอย่างก็เลยปล่อยเลยทาเลยอืท้องมันจะผูกอยู่ทั้งสองสามวันก็ปล่อยให้มันโผล่อยู่นั้นไม่คิดปรับปุงให้มันเดินเป็นปกติในส่วมันก็เกิดโรคเน็บทุ่มเล็บชาขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะมันถืออนัตตาเกินประมาณ ถือว่าไม่ใช่ของตนเราก็เลยไม่เลี้ยวแรงมันเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคราวนี้มันก็ได้รับความลําบากมากแล้วออตนยังไม่ทันตายแต่ว่าร่างกายนี่มันบอกทาเต็มทีแล้วมันจะตายมันก็ไม่ตายปะนี่อย่าง น, นี้มันก็ทําให้ได้สวยทุกขเวทนามากนี่แหละโรคไัยไข้เจ็บของคนเรานี่นะ บางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากเวรในอดีตทอนหลังก็มีมันบกพร่องทางกายบริหารเรียกว่าบริหารร่างกายไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่คิดบริหารร่างกายเสียเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บเปียเบียนร่างกายนี้ได้อันอย่างนี้นี่มีทางรักษาหายได้ พ็รักษาถูกช่องทางมาแล้วมันก็หายได้ถ้าเป็นโรคกรรมโรคเวนจริงๆแล้วนั่นรักษาอย่างไรก็ไม่หายเมื่อมันสิ้นกรำสิ้นเวนแล้วมันหายไปเองมันอันนั้นแต่กรำเวนบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นก็มีบางอย่างมันก็ยังมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งยังไม่ทันหมดอายุสังขารมันมันมด กรรมหมดไปนั้นไปก็มีเรื่องของกรรมวิบากเป็นอย่างนี้สำหรับผูท้ที่ภาวนาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของรักษาได้ยากเช่นนี้นะ้วก็จะเกิดทิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่าเมื่อมีร่างกายนี้มาแล้ว มันต้องประครบประงมมันทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะประครบประงมมันอย่างไรๆก็ตามถึงขาวมันจะวิบัติมามันก็วิบัติไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้น่ผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ถึงได้เบื่อหน่ายมัน การเบือนหนายด้วยปัญญานี่เนะี่ยมันจะเป็นทางหลุดพ้นไปจากรูปจากนาอันนี้ไดนะ้ถึงว่าหลุดพ้นไปได้ไม่ได้ก่อนหลุดพ้นไปเด็ดขาดไม่ได้แต่มันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ได้ไปเป็นเทวดาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละ ถ้าบุญกุศลแรงมันก็พ้นจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเมือ่อไปเป็นเทวดาก็มีความสุขสูงไปกว่านี้เป็นมีความสุขยาวนานไปกว่านี้เป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการฝึรกจิตใจนี่ให้มันเกิดความละเอียดปณนติดเข้าไปโดยลาดับนี้นะ อันนี้แหละมันทำให้ความเกิดความเป็นอยู่ในที่นั้นๆน่ะได้มีความสุขอันละเอียดสุขขุมไปโดยลำดับกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตนี่นะถ้าหากว่าการฝึกขวนจิตนี่ไม่ละเอียดทอทำสมาธิกับสมาธิหยาบๆมัวมัว ไม่ผ่องใสยอย่างนี้นะเวลาไปเกิดในภพในชาติต่อไปก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่สว่างสวัยก็เป็นมัวมัวมวไปเหมือนกันนะเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ไปเกิดที่ไหนก็ดีแล้วสถานที่อยู่ก็ไม่ผ่องใสเพราะว่าบุญกรรมที่มันเกิดจากดวงจิตอันนี้นะ มันเป็นกรรมที่ไม่ไม่สะอาดพอนั่นแหละนื่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมันเป็นอย่างนี้แหละอืมผู้ใดทํากรรมมันใดไว้กรรมันนั้นมันก็ไปตกแต่งให้อย่างนั้น ม, มันเป็นอย่างนี้แล้วเราผู้ใดทําความเพียรทางใจ ชำระใจผ่องใสได้แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่หมดล็อกแต่มันกิเลสถักเบาบางออกไปมากานี่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวด า, างี่ก็เป็นเทวดาที่มีรัศมีรังสีสว่างสวัยมากในมันมันออกไปจากดวงขีดดวงนี้เพราะว่าการทําจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งในว่าเป็นบุญกุศลอย่าง อยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ใช่สูงสุดดังนั้นมันถึงมีรัศมีรังสีสว่างสวัยดีอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละดังนั้นทุกคนให้พึงทำจิตใจของตนให้ของใสให้เบิกบานอย่าให้ใจของตนเศร้ามองขุนมัวด้วยเรื่อง ไม่ดีไม่งามต่างๆที่ร่วงมาแล้วอย่าไปยึดเอามันมาไว้เรื่องผิดหวังสมหวังอะไรก็ตามนี่ยเมื่อมันร่วงมาแล้วนะมันก็ถ้ามันแล้วไปเลยอย่าไปคำนึงหามันให้กำหนดเอาปัจจุบันนี่อย่างเดียวบุคคลผู้มีใจเศร้าหมองก็เพราะวันนึกถึงเรื่องอดีต ที่ร่วงมาแล้วเป็นที่เป็นเรื่องไม่ดีบ่อยๆเข้าก็ใจก็เศ้าหมองเข้าไปอือทีนี้ถ้าหากว่าเรากาหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์แก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้มันตกไปความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วก็สอนใจให้รู้เท่า เอ้าความเป็นสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขนี่นะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะแล้วมันก็ดับไปทุกข์นั้นนะแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเอ้าสุขตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งความสุขนั้นก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ สังขารทางพวงเหล่านี้นะแต่และที่นี่เมื่อผู้ใดฝึกใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวไปตามสุขระทุกนั่นนั่นใจผู้นั่นก็ย่อมเบิกบานผ่องใสมันเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะเบิกบานผ่องใสก็เพราะไม่หลงยินดียินรายไปตามสุขตามทุก ที่เกิดขึ้นในกายกับจิตอันนี้นะเราฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันเข้าใจทำอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสุขต่อทุกต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆในโลกนี้นะแล้วก็ฝึกเข้าไปแอย่างที่ว่ามาแล้วเน่ะอย่าไปลืม ความสุขก็ดีความทุขกข์ก็ดีมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรถ้าถ้ามันเป็นของเที่ยงวะถ้าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ทุกข์อยู่เรื่อยไปสิคนเรานะมันก็ต้องบ่นทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะอย่างว่าทุกข์เกิดขึ้น จากความเจ็บความปวดต่างๆโมนี่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาไปเสียอร่างกายส่วนที่มันวิบตัตินันมันระ ง, งับไปด้วยยานั้นเช่นนี้แล้วไอความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมันก็หายไปตามกันอืเป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าความวิบัติของร่างกายนั้นแก้ไขไม่ตกอมันก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไปก่อน ก็แก้ไขมันตกเมื่อใดมันก็ความทุกข์ใจอันนั้นมันก็ดับไปตามกันความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นนะมันก็ดับไปถ้าหากว่ามันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่หายเสียเลยเอมันก็มันก็รู้สึกสัมผัสเป็นทุกข์ไปอยู่นั่นไปแต่ถ้าจิตรู้เท่าแล้วไม่วันไว้ไปตามเช่นนี้จิตก็ไม่เป็นทุกข์ ทุกแต่ขันห้าเท่านั้นเองนะอือันนี้แหละการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าใจตนไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ขันห้าคือมันแปรปวนมันวนไว้ไปมาต่างๆนั่นล ะ, นน ล, ะลักษณะอย่างนั้นน่ะเดวะสนะลักษณะของความทุกข์ของร่างกายอถ้าใจไม่วันไว้แล้วทุกทางใจก็ไม่มี ใจอย่าเป็นทุกข์ก็เพราะใจวันไหวนั่นเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังตามกำลังปัญญาตามกำลังขันติความอดทนจะพึงมี ผู้มีปัญญาทุก ข, ขมลุ่มลึกผู้นั้นก็เอาชนะทุกได้มากเรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเลยถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกข์เหล่านี้แล้วจิตนี้มันก็จะอดทนไม่ไหวพอมันรู้ว่าขันห้านี่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตน ไม่ได้มีอยู่ในตนตนก็ไม่ได้มีอยู่ในขันห้านี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วเมื่อขันห้านี้วิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่วันไหวไปตามเพราะมันรู้ว่าไม่มีอยู่ในตนนี่ขันห้านั่นนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้าถ้าไม่มีอยู่ในตนทำไมมันจึงได้รู้สึกอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะมากระทบกระทั่งกับจิตอยู่นี้ อันอันนี้หมายความว่าจิตนี่มันหลงมาเกิดมาอาศัยอยู่กับขันหานี่แล้วเพราะกรรมมันมาตกแตง่งกรรมมาตกแต่งให้แล้วกรรมมันมาผูกมัดให้ติดกันอยู่นี่นะไปก่อนเรื่องมันอนะ่ะมันเป็นยังไทีนี้เมื่อจิตนี่ได้รับการฝึกผลอบรมให้ส ง, งบให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้ว มันรู้แจ้งในสังขารอันนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอะไรอย่างนี้ เ, ออเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นทุกข์นั้นมันก็ดับไปอย่างนี้แหละแต่ดับไปแล้วมันก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าใจมันหักไม่เป็นทุกข์ใจหักไม่วันไหวอาการที่ใจไม่วันไหวนั่นแหละถือว่าใจไม่เป็นทุกข์ แต่รู้จักทุกอยู่เนอะฟังเอาให้ดีมันเป็นอย่างฮันเรืองของเรื่องนะผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบแล้วทำใจไม่ได้อย่างนั้นพ็ขันห้าวิบัตแปรปวนลงไปกระทบกับจิตจิตก็วันไว้ไปตามยับยัง้งจิตไว้ไม่ได้เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจพ่ไลลำพันต่างๆนั่นนะ ดิ้นลนกระสับกระใสยอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผูดด้ใดมารู้ชัดว่าอใจจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพ่งดูขันหาออันนี้จนว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพ ของมนอันนั่นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นนี่เมื่อรู้แนวทางอันนี้แล้วก็เอาที่ทาความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังไม่แปรปวนก็เราก็เพ่งดูมันอยู่งั้นแหละเพ่งดูว่ามันจะต้องแปรปวนวันหนึ่งให้ได้แน่นอนนะอืะมันต้องรู้ร่วงหน้าอย่างนั้นแต่ขณะนี้มันไม่แปรปวนแหะ และต่อไปแน่เน่มั น, นมันต้องแปลผันวันหนึ่งให้ได้ฉะนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องกาหนดรู้เท่าไว้อยู่อย่างนี้เสมอไม่ต้องเผลอเลยมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ได้ความเบาใจสบายใจไม่ต้องกลัวล้มกลัวตาย ไม่ต้องกลัวโลกภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเอาก็าเรารู้ว่ามันมันหนีไม่พ้นนี่กลัวเท่าไรก็มันก็หนีไม่พ้นดังนั้นไม่กลัวเสียเลยดีกว่านเราต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกลัวอย่างนั้นจิตก็เป็นทุกข์หลายแบบ น, นี้อ่าเป็นอยงนั้นถ้าเราฝึ ก, กจิตไม่ให้กลัวให้กล้าหานไม่ให้มันหวั่นไหว ไปตามความแปรปรวนของขันห้านั่นอย่างนี้มันก็วันเท่าทุกทางใจได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อดับทุกทางใจนี่แหละเป็นจุดสําคัญเลยทีเดียวอืออันอย่างอื่นนั้นเรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้ เฉยๆนี่แหละอันจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วขอให้ทุกทางใจนี่มันดับไปแล้วก็เป็นนั้นว่าได้ผลจากการปฏิบัติธรรมแน่นอนผู้นั้นย่อมเชื่อมั่นย่อมเชื่อมั่นในความสา ม, มารถของตนเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติ ดังกล่าวมานี่ว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆผู้นั้นก็จะไม่ถอยหลังเลยในการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ต่อสู้กับสังขารธรรมทั้งปวงเหล่านี้มาอย่างโชคชนเสียก่อนแล้วนั้นมันจะ ไม่มีกำลังใจเมื่อถึงขามันวิบัติมาจิตก็วันไว้ไปตามเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนระลีกไม่พ้นเราจะต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละเตรียมตัวสร้างที่พึ่งไว้ให้มั่นคงเลยในใจเนี่ยสำหรับผู้ครองเรือนเน่ยก็เราก็เอา ขนแห่งทานการกุศลต่างๆนั้นนะมาไว้ในใจนี่ทำความชื่นชมยินดีในขนทานที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาชื่นชมยินดีในขนแห่งการรักษาศีลในบริสุทธิ์นี่ไว้ทมความเรื่มใสยินดีในคุณพระระัฒนไกลแก้วสามประการให้มั่นคงไปโดยลำดับ เมื่อสร้างที่พึ่งอย่างนี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้แล้วมันก็มีกําลังที่จะใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัยชีวิตเหล่านี้ให้รู้แจ้งละเอียดละอไปโดยลำดับแล้วเราก็จะได้ละเหตุแห่งทุกโดยประการทั้งปวงให้หมดไปโดยลำดับจากจิตใจอันนี้ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้